ตั้งแต่ในช่วงนี้เป็นต้นไปผมคิดว่าเราน่าจะได้ร่วมโอกาสสนทนาพระธรรมในภาคค่ำๆอย่างนี้ทุกวันทีนี้ไอาการสนทนาซึ่งถ้าพักเดือนหนึ่งเนี่ยนะถ้าคุยกันไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยสักสามสี่วันก็คงไม่มีอะไรคุยแล้วนะมันก็คุยวนกันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ เอาข้อความในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเมื่อเอาข้อความในพระไตรปิฎกและอัตถกถามาพูดมันก็จะมีบทบางบทที่เราสนใจอาจจะเป็นประเด็นในการสนทนาธรรมที่ที่สําคัญที่น่าสนใจที่กล่าวว่าสําคัญและน่าสนใจนั้นหมายความว่าเกื้อกูลต่อการไปเจริญกุศลที่เรียกว่าเนกขมวิตกนะครับสมณเพศนั้น ที่สําคัญที่สุดนี่นะครับทุจริตทางกายและก็ทางวาจาโดยทั่วๆไปนี้โดยเพศไม่เอื้ออํานวยอยู่แล้วที่จะให้ไปมีพฤติกรรมแบบคารวะเพราะโดยที่สําคัญที่สุดในด้านอาชีพเราก็ก็ถูกตัดไปเยอะแล้วนะครับอาชีพเราก็ไม่ต้องไปคุ้นขวายเหมือนกับคารวะนี่นะเพราะว่าเป็นผู้ไม่มีเรือนกันกิจการอะไรที่เป็นไปเพื่อ เกื้อกูลต่อเรือนก็ไม่ต้องเพราะฉะนั้นเมื่อตัดอาชีพออกไปปัจจัยสี่ก็เกิดโดยการบินทบาทถ้าหากว่าไม่ไปประพฤติอเนสนากรรมที่ผิดธรรมผิดวินัยผิดคำสอนเมื่อปัจจัยสี่เกิดขึ้นนั้นส่วนที่สำคัญก็ถ้าหากว่าหมันปัจเจเวบบ่อยๆที่เรียกว่าโยนิโสมนัิการนะครับปฏิสังขาเนี่ยแปลว่าพิจารณาใช่หมครับโยนิโสก็คือความแยบใาย นะการพิจารณาโดยแยกคายเมื่อใช้ที่อยู่ที่อาศัยเป็นต้นนะครับรยกตัวอย่างถ้าเราจะฝึกเจริญศีลข้อนี้เนี่ยนะครับจับผ้าทุกชิ้นควรพิจารณาเลยนะครับใหม่ๆนั้นเราแปลได้กันซะส่วนใหญ่นะครับก็สวดแปลไปเลยครับเช่นเราพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงใช้สอยจีวรนี้เพียงเพื่อบำบัดความหนาว เพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลือดคลานทั้งหลายเพียง mm hmm. เพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายท่องอย่างนี้ไปก่อนนะครับ mm hmm. คือจับรับท่องเลยนี่ยนะทีนี้ถ้าที่อยู่อาศัยนี้ท่านแนะนําให้ทุกที่นั่งและที่ยืนนะครับนั่งที่ไหนนี้เอาเลยว่าเราพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงใช้สอยเสนาสนานี้เพียง mm hmm. เพื่อบำบัดความหนาว เพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศเพื่อยินดีอยู่ได้ในที่หลีเกเล่นสาหรับภาวนาหมายความว่าจะอาศัยเสนาสนะเหล่านี้ในการหลีเกเล่นอ บ, บรมจิตตะิษฐาทีนี้ ก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารในอาหารก็มื้อหนึ่งวันหนึ่งมันก็มือ้อสองมื้อเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาฉันก็ปัจเจกเลยนะครับปัจเจกท่านสอนให้ทุกคำกลืนนะฮะถ้าเป็นไปได้พิจารณาทุกคำนั่นแหละถ้าหากว่าสติปัญญาเราแก่กล้าแต่ถ้ามันไม่แก่ก็อย่างน้อยบริโภคหนึ่งครั้งก็ควรพิจารณาเลยนะครับ หรือว่ามันระลึกได้ตอนไหนก็พิจารณาตอนนั้นนี่ยนะครับแต่ว่ามันระลึกไม่ได้นะครับอย่านึกเสียใจแม่เรานี่ทําไม่ได้อย่าไปนึกหงุดหงิดอย่างนั้นคือให้นึกว่าเออสติเราช้านะนี่เรายังประมาทอยู่ก็เห็นโทษของความประมาทเสร็จแล้วก็สมาทานให้ตั้งใจนะครับจิตเรานั้นไม่ใช่ว่าจะไปบังคับแล้วมันจะรับนะเหมือนกับคนมาทํามาใช้งานเรานะครับ คนมาใช้งานเรานี่ถ้าหากว่าเขาไม่ช่อยฉลาดใช้คำเนี่ยเราก็ไม่อยากจะทำงานให้เขาเหมือนกันความคิดของเราก็เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ค่อยคอยบอกเขาหรือไม่รู้วิธีบอกความคิดตัวเองเนี่ยนะมันก็ไม่อยากทำมันเหมือนกับคุยกับใครสักคนหรือเหมือนกับคนมาคุยกับเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเรานึกถึงพระธรรมสักหมวดหนึ่งเนี่ยนะนึกถึงเหมือนกับว่าคาสอนเหล่านี้จะช่วยเราให้พ้นจาก วัตถุทุกได้จริงๆนะเนี่ยนะครับเราก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ตามนั้นไปถ้าหากว่าระลึกได้เมื่อไหร่ก็ย้อนตอนนั้นทันทีเลยเหมือนกับผู้ที่กินยานะครับเขาบอกว่านึกได้เมื่อไหร่ให้รีบกินตอนนั้นแหละถ้ามันลืมสักสองสามครั้งนะต่อไปมันจะรีบเองต่อไปได้ได้เวลามันจะมันจะพิจารณาเองให้ตั้งจิตไว้ว่าเราจะพิจารณา ตั้งจิตไว้พยายามหมั่นสมาทาน อ, อย่าลืมว่าศึกขาเนี่ยสคัญที่สุดอาวัชนะนี่นะครับการคํานึงถึงก็ชื่อว่าศึกขาการสมาทานเป็นต้นก็ชื่อว่าศึ ก, ศกษานะครับการพิจรารณาการใค ร, คร่ครวญการน้อมจิตไปด้วยศรัทธาเป็นต้นก็ชื่อว่าการศึกษาเพราะฉะนั้นหมั่นน้อมน้อมเท่าไหร่ก็ศึกษาเท่านั้นถ้าจิตไม่น้อมเลยก็ไม่ศึกษาเลย เพราะฉะนั้นเอาการน้อมจิตไปพิจารณาในสิ่งนั้นๆเป็นประมาณถ้าน้อมได้บ่อยก็แสดงว่าสติเกิดบ่อยเนี่ยนะสติในชั้นศีลเนี่ยเกิดบ่อยถ้าน้อมไปพิจารณาได้น้อยกุศลศีลเหล่านี้ก็น้อยถ้าหากว่าพิจารณาได้น้อยไม่ต้องไปถามหาหรอกครับว่าทำไมจิตเราไม่สงบทำไมจึงฟุ้งซ่านเพราะว่าไอ้กิจทั้งหลายที่ควรทามันทาไม่เสร็จสักเรื่องอะ และจะมานั่งสบายใจได้ยังไงเพราะฉะนั้นการพิจารณาเนี่ยจึงนับว่าสำคัญเกื้อกูลต่อความสบายใจคนที่ทำงานเสร็จโดยมากสังเกตดูนะเขาจะไม่เดือดร้อนใจเลยคนที่ทำงานไม่เสร็จเนี่ยนั่งไม่เป็นสุขหรอครับอย่างน้อยก็วิตกกังวลก่อนชันใดก็ดีเราใช้สอยปัจจัยสี่เป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่าการพิจารณาเป็นต้นน้อยไปสมาธิมันก็ไม่ค่อยดีเหมือนกับคนทางานบกพร่องอย่างที่ว่าไป แล้วก็เลยไปที่ยาเหมือนกันยานี่ก็ปัจเจกทุกครั้งนะครับก็คือตามสูตรปฏิสังขารโยซึ่งพระผู้มีพระภาคก็วางหลักพิจารณาไว้ชัดเจนแล้วเพียงแต่ว่าให้น้อมนึกพิจารณาตามบางท่านอาจจะต้องการปัญญาไปเลยว่ามันยังไม่เห็นอา น, นิสงส์อ่ะไม่ไม่อยากจําเป็นต้นบางอย่างนั้นนะครับเจริญไปเยอะๆแล้วอา น, นิสงส์เกิดขึ้นมันจึงจะเป็นเองนะครับนี่นะ เหมือนกับการออกกําลังกายเนี่ยนะครับเช่นบางคนที่ชอบทานอาหารแล้วไม่ค่อยออกกําลังกายเลยเี็ดนะทีนี้มีใครมาแนะนําให้ไปเดินบ้างอะไรบ้างก็ไม่ไม่ไม่เห็นอั น, นิสงเพราะมันขี้เกียจใช่ไหมครับทีนี้แต่ถ้าเดินไประยะหนึ่งนะแล้วร่างกายมันสดชื่นกระปีก้กระเป๋าจะเห็นคุณของการเดินนะโอ้สมัยก่อนเนี่ยทำตัวอืดอืนี่ไม่ได้เรื่องอไรร้าวอะไรเลยแต่ถ้าหากว่าเมื่อมีการเดินบ่อยๆเมืออ่อไหรสุขภาพดูดีขึ้น นั้นหลังหลังจากนั้นก็ไม่ได้เดินเหมือนกับขาดอะไรสักอย่างหนึ่งฉันใดก็ดีตรงนี้ก็เหมือนกันการพิจารณาปจาัจจัย4ี่นั้นถ้ามันพิจารณาบ่อยๆเนืองเนืองมากๆนึกเมื่อไหร่พิจารณาเมื่อนั้นนึกเมื่อไหร่พิจารณาเมื่อนั้นเมื่อไหร่ไม่พิจารณาจะเริ่มรู้แล้วว่าเหมือนกับขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งเมื่อกิจอันนั้นทําไม่ค่อยดีนะครับจะศึกษาพระธรรมก็ไม่ม่วนไม่สนุกเหมือนกันเถอะผมสังเกตดูหลายครั้งเหมือนกัน ถ้านั่งปุ๊บเนี่ยลงนั่งนะไม่พิจารณาปัจจัยเสียอะไรเลยแล้วยกธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งมาแสดงหรืออ่านก็ตามอ่านธรรมะอยู่เงียบๆก็ตามหรือแสดงธรรมให้ผู้ฟังฟังก็ตามหรือว่าจะเจริญจิตตะศิขานึกถึงพระสูตรสูตรใดสูตรหนึ่งใส่ใจในคำสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่วันนั้นดูไม่ค่อยร่าเริงนะครับ สังเกตดูแล้วไม่ร่าเริงจิตไม่ค่อยอาถรรพ์เหมือนกับคนทําอะไรไม่เสร็จอย่างว่าไปนะแต่ถ้าหากว่าพิจารณาบ่อยๆนะได้ต่อเนื่องนะในเรื่องของการพิจารณาปัจใจสี่เนี่ยได้บ่อยเท่าไหร่ดูก็เบาไปเยอะนะครับการพิจารณาธรรมะการเจริญกุศลธรรมเหล่านั้ น, น, นเนี่ยดูเบาอย่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับขออนุญาตถามครับที่ผมทราบมาก็นึกว่า การพิจารณาเสนาหน้าเนี่ยผมก็รู้ว่าเพียงเข้าชายคาก็ปัจเจกเฉพาะแค่นั้นตามาที่พบก็คือที่นั่งกับที่ยืนนะครับทุกที่นั่งและที่ยืนนั่งตรงไหนก็เสนาสนะตรงนั้นยืนตรงไหนก็ตรงนั้นนะ ค, คือเสนาสน ะ, นะครับก็แสดงว่ายัางการศึกษายัางน้อยเต็มทีแล้วก็อีก อ, อย่างหนึ่งนะครับเรื่อง เภสันี่นะฮะที่ศึกษามากก็บอกว่าปรับอบัตต่าหากว่าไม่พิจารณานะครับในขณะนั้นเลยอย่าไม่เรับผมกิเท่าที่ผมฟังแล้วก็คุยกันกับเพื่อนภิกษุบางรูปตามความเข้าใจของท่านแล้วว่าไม่น่าจะเป็นอบัตนะครับถ้าไม่พิจารณาแต่ถ้าจะเป็นอบัตเพราะไม่มีเหตุที่สมควรที่จะ ใช้ยาอันนั้นท่านว่างนั้นนะครับท่านคือจากการค้นคว้าของท่านทําให้ท่านเข้าใจแบบนั้นแล้วท่านก็ตั้งคําถามว่าถ้าเป็นอาบัต์อาบัตอะไรเพราะในวินยัยไม่ได้บอกไว้ชัดเจนว่าถ้าไม่บริโภคยาแล้วเป็นอาบัตเนี่ยนะครับแต่ว่าพบในศิกขาบทบางศิกขาบทว่าบริโภคแล้วได้เหตุไม่สมควรแล้วบริโภคในปรบบับประัติทุกกฎนะครับ หรือใครว่าไม่มีเหตุแล้วใช้ยานั้นนั้นนะครับรขขก็สมควรกับสิ่งนั้นนันะครับบางทีเขาใช้คำว่าถ้าเพศัชในกรรมของหมอนะครับถ้าสิ่งนั้นนั้นหมอเขาอนุญาตให้ใช้ก็ตามนั้นนะครับคล้ายๆกับว่าสิ่งที่หมอแนะนำให้ใช้นะฮะเพราะยาหรือเภศัชก็เรียกว่างานของหมอใช่ไหมครับที่ได้ยินกรบอาจารย์มา อีกทึกอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเพื่อที่จะบําบัดโรคอันยังไม่เกิดหรอกแต่ว่าป้องกันไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ก็ถือก็ใช้ได้นะครับคือบางอย่างนั้นไม่ต้องรอให้มันปวดก่อนจึงจึงบริโภคนะครับคําว่าอุปนนะเนี่ยอุปนานังวยาภาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตาญาเนี่ยไอ้คำว่าอุปนานังเนี่ยนะครับแม้แต่ที่ยังไม่เกิดก็ชื่อว่าอุปน่ะเหมือนกันก็นะ ถ้าเพราะถ้าไม่ไม่บริโภคยานั้นเกิดแน่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้มันมันเป็นอย่างนั้นก่อนแล้วค่อยแก้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้เหตุที่สมควรก็ใช้ได้แล้วนะครับต ร, ตรงนี้มีหลักฐานหรือว่าตีความหรื อ, อยังไงกัน อ, อ๋อเฉพาะตรงนี้อุปนันานังนี่ดูได้ในดีกาบิสุทธิมัชนะครับออสีลนิเทศนะอุปนันานางเนี่ยไอ้คำว่า เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะไอค้คำว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแม้แต่สิ่งที่ยังไม่เกิดก็เรียกว่าอุ ป, ปานันังเหมือนกันแปลกเลยนะจริงๆปกติแล้วคําว่าแล้วเนี่ยบ่งความหมายถึงเป็นอดีตเนี่ยฮะแต่ทีนี้ว่าบาลีนั้นก็มีอัดตั้งร้อยนะครับถ้าความรู้น้อยก็ครับเพราะว่าเมื่ออัดตั้งร้อยก็ต้องทําใจนะครับว่าในที่ในไหนเนี่ยท่านอธิบายไว้อย่างไร พยายามรละลึกไปตามนั้นเพราะเห็นพยัญชนะเลยตีความไม่ได้เพราะกิริยาที่เป็นปัจจุบันก็ใช้ในความหมายอดีตเหมือนกันอ่านพบในอัตถกถาบ่อยๆหรือกิริยาที่เป็นปัจจุบันก็ใช้ในความหมายอนาคตเหมือนกันนะครับการใช้สร์นะครับปัจจุบันในอดีตเกินพอครับผมเพ้นการพิจารณาปัจจัยสี่ที่บ่อยๆเนืองๆทาให้อินทรสังวรดีขึ้นใช่ไหมครับ เพราะว่ากิเลสมันจะเกิดนะพระองค์ตรัสเลยว่ามันจะเกิดในปัจจัย4ีนี่แหละไอตันหานี่นะมันนึกสแสวงหามันก็หานึกเรื่องจีวอนเมื่อมันนึกก็นึกถึงเรื่องอาหารบิณฑบาตเมื่อจะนึกก็นึกถึงที่อยู่อาศัยเมื่อจะนึกก็นึกถึงยารักษาโรคทีนี้ในจีวอนก็ได้อารมณ์6นะครับถ้าแสดงโดยนิยะแห่งอภิธรรมคือถ้าแสดงโดยนิยะแห่งวินัยก็คือจีวอนบิณฑบาตเสนาสนะและยารักษาโรค ทีนี้ในจีบอเป็นต้นนั้นถ้าแสดงโดยนิย่าแห่งพระพิธรรมก็ได้อารมณ์6สีของจีบอก็เป็นรูปารมณ์เมื่อห่มแล้วก็จะเกิดเสียงเวลาม้วนเวลาพับเป็นต้นอันนั้นก็เป็นสัตรารมกลิ่นของจีวอลก็เป็นคันธารมนะครับรสารมณ์นี้ท่านหมายถึงรสแห่งการใช้สอยใช้สอยดีใช้สอยไม่ดีเนี่ยท่า น, นอธิบายว่าเป็นรสอารมณ์ น, น, นะครับรสแห่งการใช้สอยคือไม่ต้องชิมจีบรอกครับ หมายถึงไ อ, อ, อ, อ, อรสสัมผัสก็คืออุ่นเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่คําว่ารถแห่งการใช้สอยก็คือดูเหมือนอธิบายรวมๆนะครับว่าจีวรนี้ใช้ดีหรือไม่ดีนะ <S <S อ, อันนั้นเรียกว่ารถแห่งการใช้สอยแต่ว่าโพธารลมก็คือเช่นอุ่นมากอุ่นน้อยเป็นต้นเนี่ยนะ <S <S อันนั้นคือโพธารลมแต่ถ้าใช้สอยนี่ก็คือพูดแบบรวมๆนะว่าจีวรนี้ใช้ดีหรือไม่ดีอะไรเนี่ยนั่นเรียกว่ารสารม อันนี้โดยนัยะสงเคราะห์นะครับโดยนัยะสงเคราะห์ส่วนธรรมรมก็คื อ, อสภาธวธรรมที่เหลือที่ไม่ได้กล่าวถึงที่มีอยู่ในจีวรนั้นนั้นจีวรบางคนนั้นถ้าใช้ดีก็ไม่แพ้บางคนใช้จีวรบางอย่างแล้วแพ้อันนั้นเป็นธรรมรมที่เป็นสารพิษที่อยู่ในนั้นนะครับสารของจีวรนี่อันนั้นเป็นโอชาทำให้บางคนใช้แล้วแพ้บางคนใช้แล้วไม่แพ้อันนี้เป็นธรรมรมนะครับ ทีนี้ถ้าหากว่ามีการพิจารณาปัจจัยสี่บ่อยๆอย่างนี้นะฮะในอารมณ์ทั้งหกกิเลสก็ไม่ค่อยได้ช่อง น, นะกิเลสก็ไม่ค่อยได้ช่องเมื่อกิเลสไม่ได้ช่องจากล่วงกรรมความชั่วทางกายมีไหมครับมันก็ไม่ทำน ะ, ะล่วงทางวาจามันก็ไม่พูดเพื่อที่จะเอาปัจจัยเหล่านั้นๆ น, น, นะครับทีนี้ถ้าหากว่ากายวาจาเราดีขึ้นเท่าไหร่ก็แสดงว่าอินทรีย์สังวรเรามีคุณภาพเท่านั้น วิสุทธิมรรคท่านอธิบายเลยว่ า, าปาติโมกขสังวรนี่เหมือนกับนาข้าวอินทรียสังวรนี่เหมือนกับรั้วนะครับอินทรียสังวรนี่เหมือนรัว้วถ้าหากว่ารั้วไม่มีนาข้าวก็ยากที่จะว่ามันรักษาได้ฉะนั้นพระองค์จึงแสดงอินทรียสังวรต่อจากศีลสังวรนะครับต่อจากปาติโมกขสังวรทีนี้อินทรียสังวรนั้นจะบริสุทธิ์ได้ยากถ้าขาดปัจเจก แล้วคนที่ได้ปัจจัยสีมาโดยอเนสนากรรมได้ปัจจัยมาโดยผิดพระวินัยก็ยากที่จะปัจเจเวกอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียงให้เป็นลำดับทั้งอนุโลมและปฏิโลมนะครับทวนกลับไปกลับมาไม่ว่าจะปาติโมกไปหายินสีสังวรไปหาปัจจะยาสันนิสิตสินหรือไปหาอาชีวะปาริสุเทศีลก็สัมพันธ์กันหรือจะแสดงว่าเออปัจจัยสีน่นีนะเกิดโดยชอบธรรม เมื่อปัจจัยเสียนนี้เกิดโดยชอบธรรมนะเราก็พิจารณาเมื่อพิจารณาอินทรีย์สังวรก็สงบนะสงบเป็นไปกับกุศลศีล น, นะครับชื่อว่าสังวรเพราะว่าจิตเป็นไปกับกุศลศีลเมื่อจิตเป็นไปกับกุศลศีลกิริยาคือกายกรรมไม่ว่าจะเป็นการขยับเ ข, ขยื้อนเคลื่อนไหวยกมือเป็นต้นก็เป็นกุศลเพราะจิตตอนนั้นเป็นเป็นไปกับศีลอยู่เรื่องจีกรรมที่เปล่งออกมาอาจจะพิจารณาโดยใช้คําพูดก็ได้หรือพูดคุยกันก็ได้ ที่เป็นไปกับเรื่องนี้อันนี้เป็นศีลเนี่ยนะทั้งหมดนี้พฤติกรรมเหล่านี้เป็นศีลผู้ที่นึกถึงพูดถึงสมาทานปลารบอธิษฐานจิตตั้งจิตมั่นน้อมใจไปด้วยศรัทธาประกอบความเพียรหรือว่าระลึกไปในสิ่งเหล่านี้ตั้งจิตมั่นในสิ่งเหล่านี้ไข้ค ร, ครวนพิจารณาตรายตรองในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดชื่อว่าศีขาหมดเลยนะครับที่ว่านี้เรียกว่าอาธิศีลสิกขา อ, นนาอานสิกขาอธิศีละิกขาเนี่ยต้องดีถ้าอธิศีลสิสกขาเหล่านี้ดีเท่าไรอาวิปปติสารก็จะเกิดเท่านั้นนะครับคือก็เราจะไม่เดือดร้อนใจเลยถ้าทําได้ขนาดนั้นถ้าเจริญไประยะหนึ่งก็จะเกิดความมั่นใจก่อนเพราะว่าศีนเนี่ยทำให้อาฐาน น, นะครับศีนทําให้อาฐานทีนี้ถ้าเจริญไประดับหนึ่งแล้วก็มาเป็น ศีลานุสติได้นึกถึงความบริบูรณ์ของศีลเหล่านั้นที่เป็นไปก็จะพัฒนาไปเป็นภาวนาได้นะครับแล้วก็จะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นผู้ที่ส่งแสดงกุศลศีลเหล่านี้ขึ้นนะครับอันถ้าเป็นพระภิกษุเรานั้นขึ้นต้นด้วยศีลนะถ้าเป็นคารวะาก็ทานเพราะว่าคารวะนี้เขาสแสวงหาก็เพื่อให้ได้วัตถุทั้งหลายมาอ่าวัตถุทั้งหลายมาเนี่ยนะเขาก็มีล้ก็เอาวัตถุอันนั้นไปให้ทาน เพราะฉะนั้นพระ อ, องค์ก็จะแสดงคารวาตตั้งแต่ทานทีนี้ในขอบเขตแห่งทานเนี่ยนะคนที่ให้แล้วก็ เ, เมื่อให้ข้างนอกแล้วควรให้อภัยด้วยนะก็จะแสดงศีลต่อมาพนระองค์ก็จะวางตามลําดับทีนี้คารวารก็จะต่อด้วยภาวนาภาวนาของคารวาตอาจจะมาฟังธรรมก็ได้นะครับคือการฟังธรรมการสนทนาธรรมเป็นต้น น, นะคือที่จะมาว่าคารวาตไปนั่งกรรมาฐา น, ต ร, น, นตรงนั้นตรงนี้ดูแล้วก็ เมื่อเทียบกับพระภิกษุนะก็นับว่าเป็นเรื่องค่อนข้างแปลกถ้าพระภิกษุเป็นนั่งกรรมฐานไปเจริญกรรมฐานหลีเกรน้นภาวนาอันนี้ดูธรรมดาใช่ไหมครับโดยเพศนะฮะโดยเพศอันถ้าพูดแบบรวมๆแล้วเพศคารวะที่จะอบรมศึก้าเหล่านี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์บอกว่าทำได้ยากนผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปในการบวชท่านปรารบเลยว่า จะบำเพ็ญศีกขาเหล่านี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดุจสังที่ขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายอันนี้ท่านบอกเลยไม่ใช่ทำได้ง่ายเนี่ยนะที่จะไม่ให้เป็นโดยที่สุดแม้อบัตทุกกฎเนี่ยนะทำได้ยากเพราะว่าคารวาสเนี่ยนะคลุกคลีเังกันเถอะคลุกคลีถึงกายไม่คลุกคลีแต่จิตก็คลุกคลีแล้วนะครับถึงจะอยู่ห่างกันสักร้อยโยชนะฮะพันหร้อยกิโลเมตรนี่ก็ ใจมันก็ยังละห้อยหาอยู่นั่นแนะ่ะแต่สมณเพศก็เกื้อกูลในสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ถ้าหากว่าผู้ใดบอกว่าโอ๊ยเพศบรนบิชิตมันทํายากอย่างนั้นอย่างนี้ก็แสดงว่ายินดีในคารวะถ้ายินดีในคารวะาก็ก็คงเป็นคารวะาต่อไปกันแล้วกันนะถ้าไม่เห็นโทษก็ไม่เป็นไรก็อยู่กันต่อไปเอาว่าบางท่านนี่รู้สึกแหมเป็นพระทํายากเหลือเกินอย่างนั้นเออก็เป็นคารวะต่อไปกันแล้วกันอย่างนั้นแหละ ก็แสดงว่ายินดีในคุณธรรมเท่านั้นถ้ายินดีในคุณธรรมเท่านั้นคุณธรรมชั้นสูงกว่านั้นก็คงยาก น, นะแต่นี่ก็กล่าวว่าผู้ยินดีในสิ่งเช่นใดก็จะสมควรกับสิ่งเช่นนั้นนั้นอยงนั้นเถอะถ้าหากว่ายินดีว่าโอ้ศินห้าชั้นก็พอละก็จะมีแค่ศินห้าต่อไปเท่านั้นแ่ะแต่ว่าโอ้แหมแปดนี่ดีนะก็ได้ครั้งคราวก็ยังดีเขาก็จะเพิ่มพูนขึ้นบางคนบอกแหมถ้าได้สิบนี่ก็คงจะดีนะ หรือบางคนบอกอน่าจะเป็นสมณะเพศก็น่าจะดีนะเพราะาพระองค์สอนไม่ให้สันโดษในกุศลนะครับทำพระองค์ตรัสว่าการเป็นทศสา ม, มาสัมพุทธเจ้าของพระองค์นี้เนื่องจากไม่สันโดษในกุศลเนี่ยอย่างหนึ่งสองไม่ทิ้งความเพียรเพราะฉะนั้นการกล่าวว่ากุศลเท่านี้ก็พอแล้วขณะที่คิดแบบนั้นก็ประมาทแล้วและกุศลเหล่านั้นเป็นไปเพื่อความเสื่อมด้วยนะครับถ้ากุศลเหล่านั้นไม่เกิดก็หมดอะ และกุศลนี้เป็นจิตนะครับเป็นความคิดนะกุศลนี้โดยธรรมะแล้วเป็นนามธรรมเมื่อเป็นนามธรรมถ้าคิดแบบนี้น้อยกุศลก็เกิดน้อยแล้วระหว่างนั้นอะไรเกิดก็อ ก, กุศลอกุศลมันก็มีโทษอยู่แล้วนะครับวิทยาธมครับก็ก็มันเหมือนกับอะไรที่ได้ฟังใหม่ๆนะเพราะปกติเคยได้ฟังมาก็จะเน้นว่า อัธยาศัยแค่นั้นก็แค่นั้นอะไรตำนองนี้ครับถ้าพูดถึงเรื่องอัธยาศัยนี่นะครับถ้าโดยลำพังส่วนตัวของผมเนี่ยถ้าเราสมัยคารวะเรามีอัธยาศัยยางงี้ไหมล่ะถ้าถ้าเราพูดด้วยสายตาที่ยุติธรรมนะถ้าเราเห็นคนงา ม, งามเราก็มีอัธยาศัยน้อมไปในคนงามไอ้นี้ถ้าส่งเสริมอัธยาศัยในวิบัติเนี่ยใช่หมครับ ถ้าเห็นอะไรของดีๆถ้าเกิดอุปนิอัธยาศัยอัฐินนาทานเข้ามาอะไรจะเกิดขึ้นถ้าอัธยาสัยปานาธิบาตอัธยาศัยการเมสุมิชาจารย์อัธยาศัยมูสาวาตอัธยาศัยเดื่มสุราเป็นปกติเนี่ยนะอัธยาสัยนั้นไม่ดีสิ่งเหล่านี้นะครับต้องพัฒนาได้ต้องเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากว่าอัธยาสัยที่ไม่ดีก็ควรสมาทานที่จะอธิษฐานเพื่อลดละเลิกนะฮะ ถ้าหากว่ายินดีในสิ่งที่มีอยู่แล้วผมเข้าใจว่าเขาน่าจะเข้าใจพระธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ดีเพราะว่าศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสนาของการฝึกฝนและภาวนาอาจจะภาวนาไทยๆเราเลยมาใช้คําว่าพัฒนานะครับก็คือภาวนานั่นเองอ่าถ้าเราก็คิดดูพุทธประวัตินะถ้ายินดีในสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือว่าอัธยาศัยอย่างก็ก็คงอยู่แค่นั้นนะครับแต่นี้ท่าน ฝักฝ่ายอยู่ในตลอดเลยนะครับฝักฝ่ายที่จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะเมื่อฝักฝ่ายขึ้นแต่ถ้าไม่ฝักฝ่ายทำไงชั้นต้นนะครับผมว่าคนไทยโบราณเนี่ยเข้าทำดีคือให้หัดตั้งความปรารถนาเอาไว้คือตอนนี้ยังยินดีในกามอยู่นะครับ ถ้ายังท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏอยู่ตราบใดก็ขออย่าให้ตกทุกข์เลยยากและขอกุศลเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อสิ้นวัตทุกข์ด้วยเถ อ, อ, อะเมื่อไร่ก็ช่างเถอะแต่ขอตั้งไว้ก่อนแต่ถ้าไม่ตั้งไว้อะไรจะเกิดนะครับมันประเด็นที่สําคัญที่สุด อ, อย่างผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเนื่องจากเขาตั้งไว้ก่อนหน้านั้นๆมานี่เราก็น่าจะสังเวชใจหนึ่งแสดงว่าอดีตราเมยได้ตั้งไว้จึงได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ตั้งวันนี้จะตั้งเมื่อไร่ย่ยนะ พันคนที่ถ้าหากว่าตั้งก็ยังไม่คิดจะตั้งพรันเวลาทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งให้น้อมจิตเพื่อให้ได้ตั้งความปรารถนาไว้ก่อนอย่าลืมว่าอภินิหารเนี่ยนะท่านแปลว่ามูลปณิธานมูลปณิธานก็คือความปรารถนานั่นเองนะอย่างความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องประกอบด้วย อ, องค์8ประการมีความเป็นมนุษย์เป็นต้น เขยว่ า, าพินิหารอาพินิหารเนี่ยแปลว่านําไปใช่ไหมครับไอไอการนําไปหรือก็คือความป่าทะนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองทีนี้ต้องประกอบด้วยองแบบประการคือความเป็นมนุษย์เป็นต้นนั้นในชั้นต้นเนี่ยต้องน้อมทีนี้ถ้าหากว่ามันไม่น้อมล่ะครับถ้าบุคคลที่มีบุญดีก็จะมีกาลยานามิตรพูดสิ่งนั้นๆให้มีจิตน้อมไปนะวันนี้ไม่น้อมไม่เป็นไรแต่เขากล่อมจนเราน้อมนะครับ ก็เหมือนกับพวกเซลล์ขายของเนี่ยถ้าบอกให้รอให้ผู้บริโภคมาหาซื้อเองเนี่ยคงยากนะครับเขาจะไปชักชวนจนจนคนนั้นคิดอยากจะซื้อสิ่งนั้นชั้นใดก็ดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระสาวกทั้งหลายก็จะแสดงธรรมอย่างน้อยเลวที่สุดเลยนะตกต่ำเดิมที่สุดก็ฝากอุปนิสัยเอาไว้ก่อนไปเพาะอุปนิสัยเอาไว้ก่อนมา ง, งั้นเถอะหรือไปเดินเฉียดเฉียดให้เขามีศรัทธาไว้ก่อนอย่างมัทกุลเดลีนะครับ ไปเดินให้เห็นไปก่อนนะชัตตะมานพก็เหมือนกันฉัตตะมานพนี่ยนะพระองค์ก็เดินไปทักทายปราัยให้เขาถึงไตาสารณาคมก่อนแต่เขาจะได้บรรลุเมื่อเป็นเทวดาแล้วแต่ถ้าหากว่าไม่ไม่ไปเพราะอุปนิสัยไปให้ทําความคุ้นเคยไปรู้จักตั้งแต่ยังไม่ตายอั น, นิีย้ย่หรือไอเฒ่พระบุตรกบนะครับมนดุกะเนี่ยนะทำไมพระองค์ยังไปเลือกแสดงทำตรงนั้นอ่ะเพื่อให้กบได้ยินไงให้กบได้ยินเสียงก่อน ในอย่างหนึ่งอย่างมัตตคุลเลีก็เดินไปให้มัตตคุลเลีเนี่ยมองเห็นก่อนนะครับอันนี้เข้าเข้าไปเพาะให้เขาเลื่อมใสายไปก่อนเพราะฉะนั้นาการใช้คําว่าอัธยาศัยเฉยเฉยเนี่ยนะครับต้องดูว่าอนุรักษ์นิยมหรือเปล่านะครั บ, นะรบถ้าพวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะครับอนุรักษ์อัธยาศัยที่ไม่ดีอัธยาศัยในความทุศีนเป็นต้นชั้นเคยเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างนี้ต่อไปก็พยายามคิดเหตุ กรรมมศกตาให้มากว่าอัธยาศัยนี้เมื่อบุคคลเจริญทําให้มากแล้วเนี่ยเป็นทางแห่งนรกไหมก็สอบสวนนะกรรมสกตามาวัดดูนะครับนี้ว่าหรือว่าเจริญทําแบบนี้ให้มากๆเช่นว่าฉันมีอุปนิสัยตนีไม่ไม่อยากบริจาคเลยนะชอบเหลือกเกินของรักของหวงแหนก็ดูว่าเอออุปนิสัยอันนี้เป็นไปเพื่อเป็นแปรหรือเปล่า หรือว่าอุปนิสัยไม่ชอบอะไรโง่โ ง, ง่งไม่ต้องฉลาดไม่ต้องมีสติปัญญาคิดดูว่าภูมิไหนโง่งที่สุดเดรัจฉานรับเพราะฉะนั้นถ้าเรายินดีในความโง่วงความเคล้าก็เท่ากับยินดีความเป็นเดรัจฉานความเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานเขาก็ต้องบางชาติเขาต้องเกิดเป็นมนุษย์อยู่แล้วแต่เป็นมนุษย์ที่ยินดีในความโง่งเขา่านะครับก็เป็นปัจจัยเพื่อเดรัจฉานทีนี้ถ้าหากว่ามีอุปนิสัยที่ีละว่ามนุษยธรรม ก็แสดงว่ามีอุปนิสัยน้อมไปเพื่อมนุษยธรรมถ้าหากว่ามีอัธยาศัยที่เป็นมีเทวธรรมฮิริอุตปะก็แสดงว่าอุปนิสัยเทวดาที่สูงมากหรือถ้าหากว่ามีอุปนิสัยที่จะเจริญเมตตาเนี่ยนะครับก็ดีหรือบางคนถ้าได้กัลยาณมิตรที่ดีก็จะแนะนำถึงความไม่จีรังยั่งยืนเป็นในทุกโทษต่างๆที่เกิดขึ้นในสังสารวัฏ ก็จะแนะนําให้ตั้งความปรารถนาเพื่อพ้นจากวัตถุทุกเหล่านี้โดยการสอนให้เห็นทุกขเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีความจรังยั่งยืนอะไรควรที่จะเจริญกุศลธรรมตั้งความปรารถนาเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดจากสิ่งเหล่านี้นี่นะแต่ว่าผู้ที่จะเบื่อหน่ายคลายกําหนัดจากสิ่งเหล่านี้จริงๆต้องรู้แจ้งอริยสัจนะครับถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจอะ การเบื่อหน่ายและคลายก็จะระดับแต่ทางค่าประหารหรือวิคคมพระนปะหารที่เราจะกล่าวกันต่อไปก็รอเสืออาจารย์จะอธิบายอัธยาศัยไปถ้าไ <c oughs> กลเลยอะแต่ว่าที่ผมพูดเนี่ยผมก็เอคนที่เขาพูดอย่างนี้นะเขาก็ไปฟังธรรมเขาก็ขอนขวายในการที่จะศึกษาหาความรู้อะไรอยู่<า>แต่ว่า เขามักจะอ้างอริยศัยว่าวิสาขาเขาเป็นโสดาบันเขาก็อยู่คลองบ้านคลองเรือนี่นะเขาไม่เห็นออกบวชเลยอนาคะก็อยู่หรือว่าจะเป็นอะไรจิตตะเครื่อห่าวดีหรืออะไรทํานองนี้ไหมฮะที่บ้านลเป็นพระอนาคามีแล้วก็ยังครองเรือนอยู่อย่างนี้นะครับคือเขาเป็นพระโสดาบันแล้วนะครับเขาเขาทํานั่งสบายๆก็ได้นะครับนั่งกินลมชมวิวก็ได้สํานวนนะ พอท่านเป็นพระโสดาบันแล้วนะครับอนาถะก็เป็นโสดาบันแล้วจิตตครหาบดีก็เป็นอนาคามีแล้วรู้อยู่แล้วว่าอบายสินนส้นแล้ ว, วนรกสิ้นแล้ววินิบาตสิ้นแล้วยังไงท่านไปดีแน่นอนแต่ของเราเนี่นะครับจะเอาอัธยาศัยไปเทียบกับท่านได้ไหมล่ะเนี่ยนะบอกว่าอา้าวก็ท่านมีอัธยาศัยอย่างนั้นแต่ผมนะผมโดยส่วนตัวนะผมเนี่ยถ้าไม่ฝักฝ่เนี่ยตกนรกไงไๆเลย ถามว่าทำไมจึงทําอย่างนั้นผมทำปลาปฏิบัตเยอะนะครับสมัยไม่ได้ปวดเนี่ยปลาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะหลายพันตัวนะครับเพราะว่าเวลาไปหากุ้งหาหอยฮะเนี่ยหอยเนี่ยน่าจะหลายถังนะครับเพรมไปหามือหนึ่งเนี่ยนะถ้าไม่ไม่ถึงถังมันไม่พออิ่มทั้งก็ปวดหรอกครับผมหาหอยได้เป็นทั้งถังหอยตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยถามว่าอันนั้นบาปไหมล่ปะปลาไหลเนี่ยนะครับมันอยู่ในรูเนี่ยผมเนี่ยเอาไม้เนี่ยนะไปหาหอยมาแล้วก็ เสียบแล้วก็ย่อนลงไปให้มันลึกๆเข้าไปนะครับผมรู้ว่ารูไหนมีปลาไหลอยู่นะครับน้ําที่น้ำใสๆผมก็ขนาดมันอยู่ในดินผมยังล้วงออกมาต้มเลยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าผมไม่ภาคเพียรพยายามเนี่นะครับไออัธยาศัยนรกเนี่มีแล้วนะและอธินนาทานนะครับโอ้สมัยเด็กๆผมจําได้นิยมลักสตังแม่มากนะฮะลักยืดบ้างลักสตังบ้างอะไรบ้างนะ ปาณาธิบาตก็ทำอธินาทานก็ทำกาเมคิดว่าไม่มีโอกาสมั้งที่ไม่ได้ทาอาจจะตอนนั้นไม่มีโอกาสมั้งแต่มูสาเนี่ยทานรักแล้วก็ต้องโกหกแม่อยู่แล้วมูสษาวาดก็ทำสุราเนี่ยถ้าไม่กินก็เป็นเทวดาสุรินนะครับเหล้าก็กินบ้างนะ ทั้งอุปนิสัยแห่งความเป็นบ้าเขาทาไว้แล้วอุปนิสัยอบายทุกติวินิบาตนรกทําไม่หมดแล้วอ่ะทีนี้ถ้ารออัธยาศัยอันนั้นให้ผลเนี่ยนะครับผมว่าผมตกนรกง่ายเลยเพรนั้นใครที่ยินดีในอัธยาศัยก็เชิญอยู่ไปเลยครับผมสาหรับผมเนี่ยหม่มันดูมันชักจะร้อนๆ้อเมื่อนนรกนะครับถ้าหากว่ารออัธยาศัยเนี่ยผมว่าน่าจะไปดูทีวีหรืออะไรเพราะอัธยาศัยมันชอบแบบนั้นนะครับเพราะนัอัธยาศัยบางอย่างถ้ารอให้แต่อัธยาศัยอย่างเดียว พระองค์คงไม่แสดงธรรมมั้งใช่ไหมครับคงไม่แสดงธรรมมั้งแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับไอ้ใช้คําว่าอัธยาศัยเนี่ยกล่าวถึงอาสยะบาลีว่าอาสยะเนี่ยนะครับอาสยะดีกับอาสยะเลวแต่ถ้าหากว่าเรามาภาคเพียรเรียนรู้ไปแล้วว่าอาศัยะเนี่ยนะครับเป็นชื่อของสองอย่างคือสัมมาทิฐิกับมิจฉาทิฐิทีนี้ไอ้สัมมาทิฏฐิก็แบ่งออกเป็นสองคือกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิกับสัจจานุโลมิจฉาน อันนี้ฝ่ายดีนะครับอนฝ่ายไม่ดีก็คือพวกมิจฉาทิถีทั้งหลายแลนั่นเองอันนี้ฝ่ายไม่ดีทีนี้ถ้าเราอาสยะที่เป็นมิจฉาทิฐินะครับถามว่าจะอนุรักษ์ไว้ไหมล่ะนะจะอนุรักษ์อาสยะอนนั้นก็บอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนะครับคนอื่นเขาอาจจะมีบุญเขาอาจจะอยู่ได้อีกนานอาจจะชื่นชมในผลของบุญนะในรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิน่นหอมๆรสอร่อยๆมีบ้านอยู่สบายๆทั้งชาติ แต่ผมไม่ได้ทําบุญมาขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะที่พูดอย่างนี้หมายว่าเพราะกรรมชั่วเราทําไปแล้วกรรมดีพอที่จะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ถึงบางท่านเถอะก็ยังอยู่ในระหว่างถ้าหากว่าจิตเศ้ามองก่อนตายอบายก็หวังได้เพราะชีวิตทําทั้งกําลังทั้งขาวถ้าคนถ้าเกิดมาเออขาวตลอดเลยก็ว่าไปอย่างแต่ผมไม่ใช่นะครับบางท่านอาจจะใช่แต่ผมนี่ไม่ใช่ มันทำทั้งดำทั้งขาวก็รอดูว่าจิตเศร้ามองหรือผ่องแผ้วในเวลาใกล้ตายแต่ถ้าหากว่าจิตนี้ฝึกไม่ได้แก้ไขไม่ได้เลยไปตามกรรมอย่างเดียวเลยแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมเธอผมคิดว่านะเราไม่ต้องนับถือคำสอนของพระองค์หรอกทำไมอ่ะเพราะมันเป็นไปตามกรรมอยู่แล้วถ้าแก้ไขพัฒนาไม่ได้แต่เนื่องจากพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงได้จากกรรมธรรมดาเป็นไปเพื่อมรรคกรรมก็ทาได้เพราะ พุทธาสนาเป็นเรื่องของการฝึกอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฝึกตัวเองได้ก่อนเพราะฉะนั้นความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่บทหนึ่งว่าเราฝึกแล้วก็จะฝึกผู้อื่นด้วยนะครับมีอยู่บทหนึ่งนะเราฝึกตนแล้วก็จะฝึกผู้อื่นด้วยแม้แต่มหากรุณาสมาบัติที่พระองค์เจริญทุกๆวันนะครับเช้าเมื่อจะเจริญมหากรุณาสมาบัติว่าเราฝึกแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ได้ฝึกนะครับ แล้วก็อีกบทหนึ่งว่าเราฝึกแล้วทั้งสามารถฝึกสัตว์โลกได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในบรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดนะครับพระสารีบุตรก็ฝึกเสร็จแล้วท่านก็ได้ดีไปเลยถึงใครไปทูบหลังท่านท่านก็นไม่กโกรธไปดา่าไปอะไรท่านก็นไม่กโกรธพระมหากัะสปะหรือพระสาวกทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ฝึกผู้ฝึกที่ต่ําที่สุดก็คือเป็นพระโสดาบานันถ้าเป็นสาวกของพระองค์ อันเราทั้งหลายถ้าไม่ไม่ยินดีที่ฝึกก็ก็อนุรักษ์นิยมถ้าอนุรักษ์นิยมนี่ผมอ่ผมขอสมทานว่าขอให้ผมอย่าได้พบเจอเจอคนเหล่านี้แม้แต่ได้ยินก็ขอโสตะวิญญาณอากุศลวนบากนั้นอย่าได้มีเลยอย่างนั้นนะผมสงสัยว่าในคำที่ว่ า, อ, าอัธยาสัยอุปนิสัยแล้วก็อ่ วาสนาอะไรคำพวก น, นี้มันแตกต่างกันหรือว่ามีความหมายอะไรยังไงเพื่ออธิบายนะแตกต่างกันไหมครับน่าคิดนะใช้คำว่าอัธยาศัยก่อนนะครับอัธยาศัยก็มาลีว่าอาัยะอาศัยะนี้เป็นชื่อของว่าแนวความคิดของคนนั้นๆว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้เรียกว่าอัธยาศัยนะครับ ว่าอัธยาศัยของคนนี้เนี่ยนะน้อมใจไปในกามมากไหมคือคือเขามีทิฏฐิแบบไหนไม่ว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐินะอันนี้เรียกว่าอัธยาศัยอาสยะนะทีนี้ส่วนที่เรียกว่าอุปนิสัยนี่หมายความว่าเช่นคนที่โกรธนะแล้วก็โกรธครั้งที่หนึ่งเป็นอุปนิสัยให้โกรธครั้งที่สองง่ายขึ้นโกรธครั้งที่สองเป็นอุปนิสัยให้โกรธครั้งที่สามมากขึ้นเป็นต้นอันนี้เรียกว่าอุปนิสัย แต่ถ้าคำว่าวาสนาเนี่ยนะครับแบ่งเป็นสองความหมายคำว่าวาสนาความหมายแรกที่คนไทยรู้จักกันก็คือที่ว่าเป็นไปในส่วนแห่งบุญเนี่ยนะครับเป็นไปในส่วนแห่งบุญนั้นวาสนาก็หมายถึงบุญแม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะเป็นวาสนาภาคิยะเป็นบุญวาสนาของสัตว์นั้นๆต่อไปในภายภาคหน้าหรือส่วนแห่งบุญนั่นเองอวาสนาตรงนั้นหมายถึงบุญ แต่อีกวาสนาหนึ่งหมายถึงความที่เคยประพฤติตัวด้วยกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งมายาวนานซึ่งผู้ที่จะละวาสนาอันนี้ได้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเช่นคำหลายๆชาติแล้วก็นิยมใช้พฤติกรรมแบบนี้มานะครับเ ค, เคยชินนั่นเองสำนวนไทยๆแปลว่าเคยชินก็ชัดเจนดีนะครับเคยชินความเคยชินบางอย่างที่เคย มีสมัยที่ยังมีกิเลสเนี่ยนะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังเคยชินที่จะทําอย่างนั้นอยู่เช่นพระวักเออพระปิรินทวชะก็จะนิยมเอาวัสลิวัสลิ่าจะเรียกว่าไปไหนมาคนถอยมาแล้คนถอ ย, ยถอยะไรนี่ได้อะไรคนถ่อยก็จะมีคําว่าถอยอยู่ในนั้นเกือบทุกบททุกพ ย, ยัญชนะเนื่องจากความเคยชินนั่นเองนะแต่ว่าท่านไม่ได้มีโทสะ อิจฉาริษยาภายในเลยแต่ว่าเคยชินที่จะใช้พยัญชนะแบบนี้หรือภาษาบทความเคยชินส่วนหนึ่งที่เคยเกิดในชาติเป็นลิง เ, เห็นน้ํากระโดดเลยอันนี้คือความเคยชินแต่ว่าจิตที่เป็นบาปอากุศลในขณะกระโดดไม่มีนะครับอันนี้เรียกว่าวาสนาซึ่งวาสนาอันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะละได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาผู้ทธคุณบทว่ า, าระหังเนี่ยนะ แปลว่าไกลจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาะถ้าพระอรหันต์ทั่วๆไปก็ว่าไกลจากกิเลสเฉยๆแต่ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเพิ่มคุณตรงนี้อีกบทหนึ่งว่าพร้อมทั้งวาสนาะอันความเคยชินที่เป็นไปทางกายทางวาจาอันใดอันหนึ่งที่น่าตำหนิไม่มีสาหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เกี่ยวกับเรื่องวาสนาะเอ่อเกี่ยวกับเรื่องเอ่อตอนแรกอะไรอัสยะ อัธยาศัยอัธยาศัยนะอัธย า, อ, าอัธยาศัยที่เป็นสัมมาทิฏฐิและมีขั้ทิฏฐินี้เขาเป็นแบบมาตั้งแต่เกิดใช่ม อ, อันนี้ก็คืออัธยาศัย น, นี่นะครับเนื่องจากปัจจัยเหมือนกันที่จริงนะอุปนิสัยเนี่ยมันเป็นศัพท์ที่กว้างขวางมากถ้าอุปนิสัยเป็นแบบนั้นบ่อยๆก็จะเป็นอัธยาศัยได้ เช่นหากว่าอุปนิสัยได้ซ่องเสพมิจฉาทิฐิบุคคลบ่อยๆก็ในที่สุดก็เป็นอัธยาศัยของคนนั้นไปเลยเนื่องจากอุปนิสัยเนี่ยเปลีปล่ยนแปลงไปเป็นอัธยาศัยไดนนะ้คืออุปนิสัยนี้หมายความว่าผมมาเกี่ยวข้องกับท่านทั้งหลายผมก็เห็นเนี่ยผมก็รับอุปนิสยยัยแห่งการเห็นนะนะท่านก็ชื่อว่าอุปนิสัยทางตาละได้ยินเสียงท่านพูดผมก็รับอุปนิสัยทางหูละ นี่นะครอันนี้เรียกว่าอุปนิสัยก่อนแต่ถ้าเกี่ยวข้องกันมากๆจนรับแนวความคิดติดเชื้อจนตัวเองเนี่ยแก้ไขไม่ได้แล้วเป็นอย่างนี้ไปเลยอันนี้ก็เป็นอัธยาศัยไปเนีย่ยนะเพราะนั้นคําว่าอุปนิสัยนี้ท่านใช้กับคำพีปัจจัยนะครับว่าเพราะนั้นไอ้คำว่าอุปนิสัยที่เกิดบ่อยๆหรือมากๆอันนั้นแหละเรียกว่าอัธยาศัยเนี่นยนะเนี่ยนะ แต่ว่าคำว่าอุปนิสัยนี้จะกว้างกว่าอัธยาศัยเพราะว่าทุกสิ่งในโลกนี้นะครับที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งนั้นๆชื่อว่าเป็นอุปนิสัยให้เราหมดเลยส่วนอัธยาศัยก็คือสิ่งที่มีอยู่ภายในเมื่อรับอุปนิสัยมาจากภายนอกหรือจากภายในเองนะครับ ซึ่งส่วนตรงนี้ถ้าจะชัดเจนดีก็ศึกษาปักรกตูปะนิสยปัจจัยนะครับอุปนิสัยที่ไทยใช้กันคือหมายถึงปกตูปะนิสยปัจจัยคือเหตุธทมที่ทํามาแล้วด้วยดีจากภายในตัวหรือภายนอกก็ตามที่ที่ได้รับแบบนั้นแล้วก็เป็นอุปนิสัยต่อไปนะครส่วนอัธยาศัยนั้นก็คือเนื่องจากว่าอุปนิสัยถ้าสะสมแบบนั้นบ่อยๆจนเป็นแนวความคิดของคนนั้นไปแล้วเช่นไปฟังเรื่องกรรมมา จนมีกรรมสกตาติดเนื่องไปตลอดนี้เรียกว่าอุปนิสัยคือฟังเรื่องกรรมมาอัธยาศัยคนนี้เลยคิดแต่เรื่องกรรมเนี่ยนะก็ใกล้ๆกันนั่นแหละครั บ, บก็กบาอาธิมุดโน้มเอียงของจิตดดดดดดอธิมุด<อ>กับอัธยาศัยเนี่ยนะ<อ>ก็ไม่ต่างกัน เพราะฉอั้นอาอธยาสายสัตว์ที่มีอาทิมุตเลวก็จะไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอาทิมุตเลวหรือว่าอาสยะเลวก็ไปคบกับคนอาศัยะเลวว่างนั้นสัตว์เนี่ยเป็นไปกับธาตุในส่วนตรงนี้นะครับถ้าผู้ที่จะเข้าใจดีก็โปรดศึกษาอาสาธารณญานทั้งหลายนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้เรื่องนี้ดีคือดูได้จากอาศยานุสยญาณ น, นะครับหรือว่าอินเดียโปรปริยัติญาณ ที่เป็นอาสาธารณะานยายญาณเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแยกได้อย่างละเอียดละออลึกซึ่งอันนี้ถ้าศึกษาพุทธคุณบทว่าทหาคตที่ผมถ่ายเอกสารมาถวายนะครับก็มีมีบ้างพอสมควรอ๋อครับอ๋อโอกาสครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าถ้าหากว่าคนเป็นมิจฉาทิ่ฐิตั้งแต่ดีตัวชาติเขาก็มีชื่อว่ามีอาสยะ อ, อ, อ, อ, อ, อาสยะมาตั้งแต่นั้นเขาก็เมื่อ มีปฏิสัมันธ์จิตในชาติปัจจุบันไหมเขาก็ถือว่าได้อาศัยะมาจากอดีตชาตินะถ้ามาเป็นมิจฉาทิฐิอีกก็ถือว่าได้อาศัยามาจากนั้นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งนี่นะครับความคิดนี้มันไม่ได้ว่ามันนอนแช่อยู่ตรงไห น, นหรอกครับเพียงแต่ว่ามันก็เหมือนกับความเคยชินนี่ยนะเหมือนกับเรานิยมพูดบางคำอ่ะนะครับครับอย่างเนี้ยชอบชอบครับคบไอ้คำ ว, ว่าครับมันเก็บอยู่ตรงไหนนั่นนะ มันเพียงแต่ว่ามันได้ปัจจัยแล้วมันจะเป็นแบบนี้อย่างนี้เรียกว่าอัศยาศาสตรในเรื่องนั้นๆ น, น, นะครับคือโน้มเอียงที่จะน้อมไปในเรื่องกลามเห็นอะไรมันจะคิดเรื่องกลามเลยน้อมเอียงที่จะกโกรธมันจะเห็นอะไรมันจะกโกรธหมดเลยนะหรือว่าน้อมจิตไปเพื่อบุญญาพิสังขามันจะเป็นบุญเลยนะอย่างคนที่คิดในแง่ดีเนี่ยได้ยินอะไรมันจะคิดในแง่ดีก่อนหมดเลยแม้แต่ฟังเรื่องร้ายก็ยังคิดในแง่ดีไว้ไนดะ้คนนึกความน้อมเอียง แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็เนื่องด้วยการฝึกนั่นเองนะครับเห็นมีเพื่อนพิสุรูปหนึ่งนี้ที่รู้จักนี่ท่านจะมีนิสัยชอบเป็นคนตึกในเรื่องพยาบาลเราก็บอกว่าตอนเด็กๆนี่ชอบโดนเขาแกล้งอ่ะบ่อยๆแล้วตอนหลังก็เลยมาฝึกการต่อสู้เนี่ยตอนหลังนี่เขาได้ฟังจากพี่ชายมาว่าให้มองอะไรให้เป็นอาวุธให้หมดเลยที่จะไว้ป้องกันตัวเพราะนั้นเขาก็เริ่มฝึก ฝึกการมองสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวไม่ไว่าจะเป็นแก้วน้ําไม่ไว่าจะเป็นขวดไม่ไว่าจะเป็นท่อนไม้ไม่ไว่าจะเป็นอะไรทิ้งนิดหน่อยเนี่ยเขาจะใช้สามารถใช้เป็นอาวุธได้หมดเลยเขาฝึกคิดม า, าตั้งแต่เด็กแล้วก็จนจนนําบวดเขาก็มันก็เลยติดมาจนหลายหลายภาษาก็ยังติดอยู่ใช่ <ง S 2> ไหมกลายเป็นอัธยาศัยกลายเป็นอัธยาศัยน้อมไปในพยาบาทเพราะฉะนั้นอัธยาศัยอันนี้มีโทษนะครับ องสอนให้เจริญเมตตากับเจริญกรุณานะครับสอนให้เจริญเมตตากับเจริญกรุณาถ้าหากว่าแก้ไขไม่ได้นะครับอาจจะไปสู่ถ้ากรรมเหล่านี้มันให้ผลรูอ้อัธยาศัยอันนี้นําเกิดนะครับจะไปเกิดในภูมิที่เต็มไปด้วยความเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะครับหรือว่าถ้าเป็นภูมิมนุษย์ก็จะไปประเภทเป็นนักมวยนะนคิดจะตายอย่างเดียนะเพราะฉะนั้นอาชีพนี้ไม่ค่อยไหวนะครับเจ็บ ก่อ น, นรกที่มีการเบียดเบียนกันนะครับเพราะฉะนั้นโปรดแก้ไขนะครับอย่าอนุรักษ์นิยมเลยอัธยาศายอย่างนี้นะครับก็เมื่อกี้ฟังเรื่อง อ, อ, อัธยาศัยที่สะสมมาตั้งแต่อดีตใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราเราคิดไปแง่เดียวก็คงว่าเหมือนกับจะแก้ไขไม่ได้แต่ว่าจริงๆถ้าหากเขาได้เหตุปัจจัยใหม่เขาก็อาจจะมีออทําให้เขาเปลี่ยนไปได้ใช่ไหมครับ เพระ น, นพระองค์จึงแสดงเรื่องจักสีหรือสโสตาปฏิยังขาธรรมเอางี้นะคนแต่อ่อนแต่ออกมาเนี่ยนะครับเคยได้ยินไหมว่าใครเป็นพระโสดาบันมาแต่อ่อนแต่ออกเลยไม่มีแต่มาได้ปัจจัยอย่างภาษาริบุตรนะครับอดีต ท, ท่านก็ไม่ได้เป็นพระโสดาบันมาก่อนนะสมัยเป็นคารวะเนี่ยนะแม้แต่ตอนเป็นปริพาชกเนี่ยนะครับเมื่อได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิแล้วจึงได้เป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้น แนวความคิดทั้งหลายก็เนื่องด้วยปัจจัยเนี่ยในอิติวุติกะข้างหน้าจะกล่าวถึงปัจจัยที่สําคัญภายในกับภายนอกจะได้กล่าวนะครับที่จริงเนื้อหาส่วนหนึ่งที่เอามาสนทนาการจักมีในข้างหน้านะครับอ่จักมีในข้างหน้าแต่นี้ก็ให้รู้ว่าเออคัมภีเหล่านี้นะส่วนหนึ่งอธิบายสิ่งที่เราคิดเหล่านี้ไว้แล้วนะครับอืม